เรื่องภิกษุณีนวดกายสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้กระดูกแข้งโคขัดสีตะโภคกใช้ไม้มีสันฐานดุดคางโคนวดตะโภกนวดมือนวดหลังมือ นวดเท้านวดหลังเท้านวดขาอ่อนนวดหน้านวดริมฝีปากคนทั้งหลายตําหนิประนามโผลทนาว่าชไหนพวกภิกษุณีทั้งหลายจึงใช้กระดูกแข้งโคขัดสีตะโพกใช้ไม้มีสันฐานดุดคางโคนวดตะโพกนวดมือนวดหลังมือนวดเท้านวดหลังเท้านวดขาอ่อน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 นวดมือนวดหลังมือนวดเท้าวนวดหลังเท้านวดขาอ่อนนวดหน้านวดริมฝีปากรูปใดนวดต้องอาบัดทุกกฎ